124. ความจริงใจของอาตมาที่ปรารถนาดีต่อคนผู้น่าสงสารอาตมาไม่ขออภัยรอกสำหรับคนที่ทำชั่วหนักหนาสาหัสทำบาปกับสังคมการขนาดนี้แต่อาตมาก็ไม่ได้ท้าทายประกาศสู้รบอะไรด้วยหรอกเพราะอาตมาจะไปรบกับคนเลวได้ยังไง มันก็มีแต่ตายกับตายลูกเดียวเพราะคนชั่วมันทำชั่วได้แต่อัตมาทำชั่วไม่ได้แล้วมันจะไปสู้กันอย่างเร็วๆช่วๆกับคนชั่วคนเร็วได้ยังไงคนหนึ่งทำชั่วทาร้ายทำแรงทำหยาบทำต่าขนาดไหนก็ทำได้แต่อีกคนทำชั่วไม่ได้อย่าไปพูดถึงทำร้าย ถึงแรงหยาบต่ำใดเลยแถมเขาเงินก็มากอำนาจก็มากพวกก็มากด้วยนะถ้าไปท้ารบกับคนพวกนี้ก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเองแต่ที่อาตมาต้องพูดเพราะไม่อยากไม่ประสงค์สงสารเขาจริงๆอยากให้เขาหยุดทำชั่ว อยากให้เขารู้ความจริงบาปมีจริงนรกมีจริงเขาก็สอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อยู่ทุกวี่ทุกวันแท้ๆทำสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าทำอย่างที่คุณพากันทำนั้นมันผิดมันชั่วจริงๆไปตรวจดูในพระตบิโดกเถิดวินัยแปดเล่มก็ดีหรือพระสูตรก็จ้งแต่สูตรแรกพรหมมชาละสูตร ที่กำลังพูดถึงอยู่นี่แหละก็ผิดมหามหันต์แล้วเพราะเอาอาดีตเอาอนาคตมามอมเมาคนสร้างวิมานโกหกหลอกคนเอาคำว่าบุญมาขายมาค้ า, าน่าเกลียดนักแม้คำว่าบุญคำว่ากายก็ไม่ศึกษากันให้ดีดเข้าใจกันให้ถูกจะได้ใช้ถูกไม่บาปกันนี่ก็เอาแต่ทำบาป ในวัดคนก็มากมายพากันร่ำพากันเรียนได้ปริญญาได้รเรียนกันสูงๆแล้วทำไมยังหลงภาษาหลงผิดความหมายแล้วเอามาใช้ผิดๆให้เป็นบาปสร้างนรกให้ตนไม่พอพากันสร้างนรกกันไปทั่วโลกอีกมันก็มีแต่พากันสร้างบาปใส่ตนเองเท่านั้นเองเข้าใจไหม มันบาปหนาสาหัสนะจ๊ะหยุดทำบาปเสียเถอะในตำนานและประวัติศาสตร์มีกันมาแล้วมากมาย